ธรรมะจากชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพูดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆคนที่เราจะป่วยอย่างไรเจ็บไข้ยอย่างไรที่จะให้เกิดสติปัญญาเพราะว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วมันทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้หนึ่งเช่นว่าการป่วยไข้ของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุมันเกิดจากท่าด้านร่างกายก่อน mm. เกิดจากทาด้านร่างกาย แต่บางครั้งการเจ็บป่วยก็เกิดทางด้านจิตใจก่อนก็ได้นะแต่ว่าที่เราเห็นชัดๆทั่วไปก็คือความป่วยไข้ก็มาจากร้านกายเนี่ยเป็นส่วนมากนะตามโรงพยาบาลตามอะไรสถานที่พยาบาลเนี่ยจะมีความป่วยไข้ทางกายเยอะแยะทีนี้ถ้างกว่าเรามาพิจานรณาดูตามหลักธรรมะแล้ว การป่วยไข้ที่เกิดขึ้นทั้งด้ร่างกายเนี่ยระมองเห็นไป็เรื่องของธรรมดาแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆเถอะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนหรือความไม่เที่ยงยของร่างกายเราซึ่งแต่ก่อนนั้นเราก็คอยสังเกตดูแต่ผู้อื่น ว่าทำไมคนนี้ร่างกายดีๆแท้ๆทําไมต้องป่วยไข้ด้วยทําไมคนนี้เคยเจอกันมาก่อนยังไม่แก่เท่าวันนี้เลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะเป็นการเปลี่ยนแปลงดิลีเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากโรคที่ไม่เคยเป็นมันก็สามารถเป็นขึ้นมาได้เหมือนกันนี่แสดงว่าร่างกายของคนเราเนี่ย มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทางธรรมลเรียกว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยส่วนร่างกายจะเห็นได้ชัดเจนส่วนการป่วยไข้ท่าทนั้นจิตใจเมื่อกายป่วยใจมันก็ต้องป่วยด้วยมันเป็นของคู่กันกายกับใจแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้ ความเจ็บห้ได้ป่วย ม, มันรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายถ้าเราสังเกตดูทุกขเวทนาทางด้านร่างกายดีๆแล้วเนี่ยมันมีผลในด้านจิตใจมากความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดจากทางกายเนี่ยถ้าเราสังเกตดูแล้วเ ร, เราจะเห็น บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถี่จะควบคุมมันได้ความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดขึ้นจากโรคภัยเค่เจ็บเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้เราก็ไม่อยากให้มันเป็นแต่มันก็เป็นขึ้นมาเมื่อเป็นแล้วเราอยากให้มันหายมันก็ไม่หายหรือบางครั้งถึงกับต้องเยียวยาใช้เวลานานมันก็ยังได้แค่บรรเทาความเจ็บปวดลงไปเท่านั้น นุ่เราจะเห็นว่าผู้กเรเวทานาที่เกิดขึ้นทางร่างกายเนี่ยมันมันมาค้าบัญชาไม่ได้จริงๆเนี่ย <Yeah. S 1> โดยในหลกักธรรมเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่สามารถที่มาค้าาบัญชามันได้ <Yeah. S 1> เราพิจารณาดูเราก็จะเห็นในส่วนนี้ <Yeah. S 1> อีกด้านหนึ่งก็คือทนานจิตใจโดยตรงเลย <Yeah. S 1> บวยทนานจิตใจโดยตรงเลย ป่วยทางใจก็คือเกิดจากความคิดนั่นแหละเกิดจากความคิดเกิดจากอารมณ์ของเราบางทีความป่วยไข่าทางด้านร่างกายเพียงนิดหน่อยแต่ใจเราก็วิตกกังวลมากจนเกินไปคิดปรุงแต่งในเรื่องราวต่างๆมากจนเกินไปมันเลยดูไม่ว่าจะป่วยมากใจจะป่วยมากกับด้านร่างกายก็อีกตอนที่เป็นปรุงแต่งมากเกินไปเราก็จะเห็น พอามไม่แน่นอนของอารมณ์ของเราซึ่งเมื่อก่อนเวลาเราไม่ป่วยไข้เราก็ว่าโอ้สบายแล้วป่วยไข้นิดหน่อยเรารักษาได้เราเอาชนะได้แต่เวลาร่างกายมันเจ็บปวดขึ้นจริงแล้วเนี่ยบางทีมันก็เอาไม่อยู่นะจิตใจเราก็สึงจะเศร้าหมองหรือวิตกกังวลกลัวไปมากมายก็ได้นั่นเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์ดีเดี๋ยวไม่พอใจ เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเหงาสลรพัดอย่างอยากให้กนโน่นี้มาเยี่ยมอันนี้เกิดจากด้านจิตใจถ้าเราพิจารณาดูเราจะเห็นความเป็นความไม่แน่นอนของจิตใจเนี่ยชัดเจนยิ่งกว่าด้านร่างกายสิเนี่ยเราต้องหมั่นที่พิพจนารณาดูการป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยมันช่วยทําให้เราได้ฝึกได้ฝึกหัดความอดทนรู้จักควบคุมอารมณ์ อดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อไออารมณ์ต่างๆแล้วก็ควบคุมได้อย่างเงี้ยอั น, นี้ทั้งเป็นการฝึกจิตฝึกใจโดยตรงเนี่ย อ, อาจจะต้องอาศัยพวกสติสัมปชัญญะคอยเฝ้าดูจิตใจของเราเรื่องร่างกายนั้นก็ให้คุณหมอเขาดูแลรักษาเรื่องจิตใจนี่เราอาศัยสติอาศัยธรรมะคอยช่วยดูแลรักษา ถ้าเราหมั่นพิจารณาดูในระหว่างที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยต้องรู้จักพิจารณาดูสิว่าร่างกายมันเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นร่างกายกับจิตใจแสดงธรรมะให้เราเห็นเลยมีทั้งความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมันก็บัญชาไม่ได้นี่แหละทำให้เราได้เกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นการป่วยทุกครั้งเนี่ย แต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้ป่วยกันครั้งเดียวแล้วป่วยกันมากมายบางคนก็บอกมีวันละโรคเนี่ยเป็นวันละหลายโรค ก, ก็มีนะ เ, นเพราะฉะนั้นเราต้องหม่นพิจารณาดูว่านะการป่วยแต่ละครั้งเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรเราบ้างถ้าหมั่นพิจารณาดูเนี่ยเราจะเกิดสติปัญญาจากความป่วยไข้ของเราในแต่ละครั้งแต่ละครั้งอย่าปล่อยให้เราปล่อยแล้วป่วยแล้วป่วยเลย ป่วยแล้วไปนั่งไปนอนทุกใจมันนี่มีโยะไรสู้ป่วยแล้วรู้จักพิจนารณาดูดูอาการของเราเราจะเกิดสติปัญญาอย่างนี้เรียกว่าไม่ป่วยฟรีแต่ป่วยแบบฉลาดป่วย <c oughs>